หรือแม่ก็เอาอย่างงี้ก็ได้บอกว่าแล้วแต่ลูกจะหาให้แม่กินได้หมดแหละตองปล่อยเขาดูก็จะเอาเลือกมาให้เราเพื่อเราจะได้ในใจใน ใ, นใจเราอาจจะสั่งว่าให้ฉันอยากกินนี่กินนี่กินนี่กินนี่นะแต่เราไม่พูดลองดูสิปล่อยให้ลูกก็หามาให้ดิเอาลองลูกลูกตัดสินใจดูสิเอาเนี่ยลูกเลอลู ก, ล ก, ลกซื้ออะไรมาก็ได้แต่แม่กินนี้นั่แหละเพื่อไม่ให้มัน ไม่ให้มันความคิด <emotional> ที่มันอยากทางใจเกิดขึ้นแล้วมันสั่งมาทางวาจาอันนี้เนี่ยเราจะสร้างวิบากความชอบใจเราจะไม่ลดลงความชอบใจเราจะความชอบใจเรื่องอาหารเราจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราเสียท่ามันเพราะเราใชใ้วาจาน่ะวาจารน่ยไปสมยอมกับอารมณ์ที่เราอยากแล้วสังเกตอารมณ์อยากใช่ไหมใช่เลยเพราะว่าไอวาจาที่เราสั่งไอเช่นเช่นรูปบวา อะปุ๊บมันจะคิดแวบประมาทันทีแล้วก็สั่งสั่งทำเหมนพระหน่อยสิพรท่านอยากจะกินอะไรปุ๊บท่านก็ต้องนิ่งเฉยแล้วแต่กันรู้สิได้คอาจารย์เดี๋ยวจะลองจะลองทีนี้ดูอะไรก็ได้ทำเออมันจะมีความคิดแล้จะมีความรอคอยแล้วจะมีการคาดหวังถ้าก็ซื้อมาถูกใจเราก็จะรู้สึกว่าโอ้รูปรู้ใจเรา แต่วก็ซื้อไว้ถูกใจเราโอ้โอโอโลูกนี่รู้ใจเราเลยขาดแบบนี้นะพ่อเราต้องมันเออทางวาจาเนี่ไม่งั้นนะเราก็จะรับอิบาดของความยากของเราที่มันเริ่มม่เรื่อยๆแต่มันไม่ใช่นั้นนะจะอาจเป็นหาอารมณ์ที่ชอบใจอย่างอื่นๆไปค่อยๆเติมมันไปเรื่อยๆค่อยๆตัดตอนมันก่อนก่อนที่มันจะมีกำลังใหญ่โตขึ้นลอยลองวางแผนแบบนี้ดู แล้วถาว้าอีกอันหนึ่งคือวางไผอีกอันหนึ่งคือมันอยากจะกินก็กินมอยากกิมากนมั น, นน้อยๆเดี๋ยวบางทีก็อดไปเลยลก็ซื้อมาให้ก็กินสักคำสองคำแล้วก็แม่หยิบละอดมันเลยดูซิมจะเป็นยังไงดมันจะได้ค่ะขนาดไหนมันจะคิดถึงขนาดไหนเนี่ยวัดหัดดูนะลอ ง, งดูเออ แล้วมันจะไม่เพราะว่าผลจากตัวอย่าไอ้ตรงเนี้ยตัวอย่างที่เรากินอาหารเนี่ยเวลาเราเจออารมณ์ไม่พอใจเราก็จะอยากกําจัดมันเหมือนกันเนี่ยมันจะส่งผลไปแบบอารมณ์เวลาอารมณ์เราไม่ชอบใจมันจะส่งผลในการจะหาวิธีจัดมันเหมือนกันแทนที่เราจะดูไม่ใช่เฉื่อตามที่มันเป็นแล้วก็สังเกตลักษณะมันตามที่มันเป็นแล้วมันดํารงอยู่ยังไงหายไปยังไงอพยายามให้สังเกตให้มันถ่าให้มันแสดงตัวตนของมันเต็มที่เลย เราจะได้สังเกตมันได้เต็มที่อย่าพยายามไปขับไล่อย่าพยายามไปไปฏิเสธเขาเอไม่ต้องหเหตุผลใดๆทั้งสิน้นดูครับถ้ามันให้เหตุผลก็ดูดูไอ้ตัวที่ให้เหตุผลไอ้ตัวสั่งการตัวที่สองที่ทว่าที่ว่ามันชอบให้เหตุผลนะ่ะที่จะให้ไปทําทํานี่กับมันนะแต่เราไม่ต้องไปดูอารมณ์เดิมรวมตัวที่สองที่มันขึ้นมาเนะี่ยจังหวะสองนะเช่นอารมณ์ไม่พอใจไม่เกิดขึ้นมาแล้วปุ๊บ แล้วมันมีอารมณ์ตัวที่สองที่มันคอยจะสร้างความคิดว่าน่าจะคิดแบบนั้นน่าจะคิดแบบนี้น่าจะรู้สึกอย่าง it. นั้นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยอารมณ์ตัวที่สองเนี่ยไอ้ตัวก็เจ้าความที่สั่งให้เกิดความคิดกระวนการความคิดออกมาตรงเนี้เป็นตัวที่สองมันจะเห็นตัวรู้ทั้งสองก่อนเช่นตัวคิดอารมณ์เดิมๆและตัวคิดอารมณ์ที่สองจะกับจัดอารมณ์ความคิดนั้นน่ะมันจะเห็น<ข><ข>เออเห็นตัวนี้ให้บ<ข>่อยๆด้วย แต่ที่มันตื่นมาอีกค่อยตื่นออกมาจากความคิดตัวที่สองเนี้ยนี่เนี่ยหัดเฉือ น, นมันมบ่อยๆใช่เลยค่ะอาจารย์อันนี้แหละอันที่สองนี่แหละครับเออเออคอยสังเกตไอ้ความคิดตัวนี้ดีๆความคิดตัวแรกไมเป็นไรหรอกแต่เป็นความคิดตัวที่สองที่ไม่ชอบแล้วเราก็เลยใช้คําพูดปลอบตัวเองถึงไม่ปลอบมันก็าหายถึงปลอบมันก็าหาย แต่รู้ไหมว่าเวลาปลอบนั้นหายเนี่ยมันรู้สึกแต่ทำอะไรบางอย่างจึงทําให้อารมณ์นั้นหายนี่แหละจึงสามารถหยุดทํางานได้อีกแทนที่จะรู้ยิ่งเชิญจิต ท, ทีอุเบกขาอุเบกขาของเรายังไม่เพียงพอ ส, สมาธิเราเบกขาเราไม่ไม่เข้มแข็งเพราะถึงต้องใช้นั่นช่วยอแต่มันมีข้อแม้อีกอันหนึ่งนะถ้าบางครั้งมันเกิดรุนแรงเกินไปก็ต้องใช้มันช่วยในบางโอกาสค่ะ <c oughs> เออถ้าเรามีโอกาสได้เรียนรู้เนี่ยอย่าไปใช้ปล่อยเลยปล่อยให้มันได้เรียนรู้ต้องคอยสารวจดูด้วยนะได้ค่ะจีจีขึ้นลองวางแผนต่อไปวางแผนกับการกำจัดของเรื่องอาหารให้ดี